มารุ่นรุ่นอัลฮัมดุลิ ل ลอฮิรับส ريموعلىآل ี ا ل ล و ا ص ا ه ิห و م ن ت ب ع ه م ب ح س ا ن و ا ل د ي ن ث م م ا ب ع د ا ل س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م ة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ه วันีก่อนที่จะเริ่มขอไขความผิดพลาดของการอธิบาย ที่ผ่านไปแล้วอาทิตย์ที่ผ่านไปแล้วในมีอุซองประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องสงครามมุตะมูต้นี่ผมบอกว่าสงครามเกิดขึ้นสงครามมูต้านี่เกิดขึ้นในปีที่เก้าที่จริงนี่เกิดขึ้นในปีที่แปดในเดือนจุมฮดะอัลอูละร อ, ลาอารอัลอาครานี่ก่อนก่อนพิชิตมะกะพิชิตมกะมกะก็เดือนก็ปีที่แปดเหมือนกันแต่เดือนรอมฎอน แต่หมด้านนี้ก่อนพี่ชิดมากะผมไปพูดว่าว่าเดินปีที่เก้อันนี้ก็ขอแก่นะครับเรื่องที่สอง เ, ออเรื่องมาด้วยรักรมเพศผมบอกว่าทางกลุ่มรักรมเพศเนี่ยเขามีคําศัพท์เฉพาะที่เรียกคนที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามก็คือชายกับผู้หญิงเนี่ยจะมีคําศัพท์เฉพาะของเขาเนี่ย ผมอ่านไปผิดนะครับผมเรียกว่า s t r a i t ที่จงมั s i g t r a หมายว่าตรงหมายถึงว่าคนที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามชายกับหญิงเนี่ย mm. เขาเรียกกันตรงก็แสดงว่าคนที่มีเพศสัมพันธ์เพศเดียวกันก็น mm. กกคงไม่ตรงแต่เขาไม่เรียกไม่ตรงนะ mm. เขาก็เรียกชื่ออื่นที่ผมแก้ น, นี่ก็คือผมไปเรียก s t r a i t มันผิดอ่านผิดนะครับมัน straight นะครับ กับมาที่อายะที่28นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการเข้าของ อ, อัลมุชริกีนในแดนที่ต้องห้ามก็คือเผ่นดินทารมเราบอกว่าในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยดินแดนที่เกี่ยวกับการกระทมพิเศษ ไว่าดินแดนที่มีผลบุญพิเศษและมีข้อห้ามพิเศษสำหรับบางการกระทำเนี่ยก็แบ่งกันได้เป็นสองประเภทดินแดนที่ต้องห้ามดินแดนที่ต้องห้ามในภาษาอับหรือในศาสนาเบญญาเรียกว่าอัลฮารมอัลฮารมฮารมก็มาจากฮารอมคุณคุณก็คำศัพท์เนี่อัอล อัลฮารัมนี่ก็คือสิ่งที่ต้องห้ามอัลฮารัมเนี่ยแดนหรืสถานที่ที่ต้องห้ามอัลฮารัมตรงข้ามกับอัลฮารัมนี่ก็คืออัลฮิลฮิลก็มันรักษาเดียวกับคาว่าฮาลาลฮาลาลหมาว่าสิ่งที่อนุญาตอัลฮิลหมาว่าสถานที่ที่อนุญาตจึงแบ่งเป็นสองประเภทนะครับดินเดนอัลฮารัมดิณเดนที่ต้องห้ามอัลฮิล ดินแดนที่อนุ ญ, ญาตอะไรที่อนุ ญ, ญาตอะไรที่ต้องห้ามก็การกระทําบางอย่างอัลฮารอมนี่สิ่งที่ต้องห้ามหลกัลกๆนี่ก็คือห้ามล่าสัตว์ห้ามล่าสัตว์ห้ามตัดต้นไม้ถ้าไม่มีความจําเป็นซึ่งมีอยู่สองพื้นที่เท่านั้นนะที่มีดินแดนอัลฮารมัมก็คือ <c oughs> ดินแดนอัลฮารมัมที่อยู่รอบรบมักกะฮ์ที่อัลมัสดัลฮารอม แล้วก็ดินแดนอัลฮารอมที่มาดีนะอันนี้ก็เป็นดินแดนที่ท่านนบีสุลต่านละซัลลัมบัญญัติให้เป็นดินแดนที่ต้องห้ามอัลฮารอมที่มักกะเนี่ยก็เป็นดินแดนที่ท่านนบีอิบราฮิมเป็นผู้กําหนดซึ่งเขตแดนของอัลฮารัมเนี่ยถูกกําหนดตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบราฮิมเนี่ยเป็นก้อนหินเป็นก้อนหิน ตามยอดภูเขาต่างๆที่อยู่รอบๆมักกะและก็ถ่ายทอดอนณาเขตของดินแดนฮอร์มเนี่ยตั้งแต่สมัยท่านนาบีอิบรอฮิมเยนลูกหลานของเขากัานนาบีอิสมา يل, อิลอัตนาอัตนาน น, านี่คือหลานหลานของท่านนาบีอิสมาอิลเ ย, ยนลูกหลานของอิสมาอิลซึ่งเป็นเป็นต้นตระกูลของเผ่าพันธุ์อาหรับทั้งหมดที่อยู่ในในคาบสมุทรอารับ พออนาเขตที่มันมีสัญลักษณ์ที่เป็นก้อนหินใหญ่เนี่ยมันก็เริ่มเคลื่อนที่ไงแผ่นดินไหวบ้างอะไรบ้างก็เริ่มมีการตั้งอาาเขตที่เป็นการกําหนดของมนุษย์แ ล, ะละ้วนละ่ะจนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็เป็น อ, อ, อนุสรหรือเป็ น, เ, ปนเสาเสาสีขาวในยอดภูเขาต่างๆที่อยู่รอบมักกะก็เป็นที่รู้กันและนี่มีรายละเอียด เ, เยอะนะครับใน ในตำรานิติศาสตร์อิสลามเกี่ยกรืนี้แต่เขตของฮะรอมเนี่ยเป็นที่รู้กันตั้งแต่สมัยท่านอบีบอัลมาสอโลลละเซ ล, ล, ลมัมซึ่งเป็นผู้ฟื้นฟูฟื้นฟูความสําคัญของอนณาเขตเอาณาเขตเรื่องนี้จึงไม่มีความขัดแย้งในเรื่องในเรื่องในเรื่องว่าฮะรอมเนี่ยคือแดนที่ต้องห้ามนะครับแต่ที่มัดีนาะ أناك يتحرم مدينة م ت ث كمن د ل ن ب ي إبراهيم تكمن د ل ن ب ي محمد صلى الله عليه وسلم نبيكم بخاري المسلم تنب ي صلى الله عليه وسلم حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة هذا ن ا ت ز ة ي กำห ن مديناً هي بن แดน تضخم مثل تنب ا ل ن ع ي إبراهيم تنب كمن المدينة เขตแดนที่ต้องห้ามของมเดียนระ์เนี่ยระหว่างสองภูเขาเป็นที่ร่วกันทุกวันนี้เนี่ยถ้าใครที่ยืนอยู่ที่มัสยิดมัสยิดมาดีนะแล้วไม่มีพวกตึกสูงสูงที่มันรอบมัสยิดในนบีเนี่ยก็สามารถเห็นภูเขาสองลูกเนี่ยและกะัสซูร์เป็นสองภูเขาที่ล้อมล้อมมาดีนะเนี่ยระหว่างสองภูเขาเนี่ยก็เป็นแดนที่ต้องห้ามที่ต้องห้าม ทั้งมักกะและมดีน่าเเรื่องที่เหมือนกันก็คือห้ามล่าสัตว์ห้ามตัดต้นไม้ถ้าไม่มีความจําเป็นแต่มักกะนี่จะมีความพิเศษสําหรับแดนที่ต้องห้ามนี่ก็คือคนที่จะเข้าไปประกอบพิธีอุหมรบีดีหัจเนี่ยห้ามเข้าแดนที่ต้องห้ามเนี่ยโดยที่ไม่ได้ครองอลฮอร์มอันนี้พิเศษเพราะของมดีน่าเนี่ยไม่มีไม่มีอุหมรบไม่มีไม่มีฮัจเนี่ยหัจและอุหมรบอยู่ที่มักกะอย่างเดียว อันจะเข้าแดนที่ต้องห้ามคือฮารอมนี่นะก็ต้องของอ้ฮรอมซะก่อนซึ่งบรรดาสถานที่ที่เราจะของอ้ฮรอมทั้งสิ้นนะครับทั้งหมดเลยชาวตะวันตกชาวตะวันออกชาวเหนือชาวใต้สําหรับมักการยังนะมาจากตะวันออกอย่างแปซิฟิกอย่างอินเดียอย่างที่มาจากเอเชียทั้งหมดเลย น, นี่เรียกว่าตะวันออก เ, อเขตมีกอด ที่ต้องครองแอกแรมนี่ก็คือท่านนายกฯก็ขอแทร็ดนี่ก็อยู่นอกทั้งหมดเนี่ยของชาวเยเมนใต้มากาของชามนี่เหนือตะวันตกนี่อ่อย่างชามและก็อียิปต์นี่ก็เหมือนกันมาจากตะวันตกนี่เขาก็มีการกําหนดเอ่อมาวากีตของเขานี่ก็คือสถานที่ที่ต้องเอ่อครองแอกแรมก่อนที่จะเข้าประกอบพิธีอุมรัดฮะจินนี่นะครับอันนี้เป็น อภิสิทธ์ของแดนฮะรอมที่มักกลอย่างเดียวแล้วเราพูดถึงเรื่องเขตของของแดนฮะรอมเนี่ยมีสถานะเป็นมั ส, สยิดทั้งหมดในทัศนะที่ถูกต้องหมายถึงว่าเราละหมาดได้แสนเท่าเหมือนที่ท่านนาบีบอกใน hadith บรรดุบุคแลในมุสลิมว่าการละมาดที่มัสยิดฮะรอมที่มัสยิดฮะรอมนี่เท่ากับหนึ่งแสนการละหมาดในพื้นที่อื่นๆนะอันนี้ไม่ใช่สำหรับ อาคารมัสยิดอย่างเดียวในศาสนะที่ถูกต้องนะถึงแม้กระทั่งในมัสยิดชาวฟิลิปปแต่สําหรับอาณาเขตฮารัมทั้งหมดเลยถึงแม้ว่านอกมัสยิดฮารอมเราจะไปละหมาดที่มักกะที่ไหนก็ตามมัสยิดไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งละหมาดที่บ้านก็ตามถ้าอยู่ในเขตฮารอมเนี่ยก็ได้ผลบุญหนึ่งแสนเท่าเช่นเดียวกันนเรื่องนี้ผมก็ปลอบใจคนไทยที่ไปทําองม์รั้วไปทำฮัทเนี่ยไม่ต้อง เพ่งคัดมากกว่าจะต้องเช่าบ้านไก้ไก่มัสซิดฮารองจะได้หนึ่งแสนาจะได้ละหมาดที่จริงเนี่ยละหมาดที่ไหนก็ได้ก็ได้หนึ่งสนานะครับอันนี้เนี่ยท่านศาดูก็อธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียดข่าวที่แล้วนะครับการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺมุตอาลาได้กำหนดระเบียบระเบีบบยบใหม่สำหรับสำหรับรับอิสลาม โดยเฉพาะในเมืองมักกะที่จะถือว่าเป็นเมืองสำคัญที่สุดรองจากมาดีนนะมาดีนนะก็กลายเป็นเมืองหลวงละกลายเป็นเมืองหลวงเพราะท่านนาบีเลขาฮาบานเนเมื่ออพยพบจากมักกะแล้วเนี่ยพำนักอยู่ที่มาดีนนนี่นบีห้ามคนทีอ่อพยพบเนี่ยจากแดนของเขาเนี่ยให้กลับไปอยู่ แดนเดิมของตัวเองเนี่ยถึงแม้ว่าถูกพิชิตเป็นเป็นเมืองอิสลามแล้วเป็นอิสลามแล้วอะนะเพื่อรักษาผลละบุญของผู้อพยพดังนั้นนบีลาซาพิชิตมาการแล้วเอาเมืองมา ด, ด, ดีนั่นนี่ยแดนถิ่นที่นบีเกิดเนะี่ยเมืองเกิดของน่้น น, า น, นาบีมีพี่น้องที่เออตั้งข้อสงสัยแล้วไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กลับไปอยู่มากการล่ะไหนว่า น, นาบีบอกว่ารักมาการมากที่สุดเป็นแผ่นดินที่ น, น, นบีรักมากที่สุดใช่แต่นบีต้องการ ผล บ, บุญของผู้อพยพนี่ก็เป็นบทเรียนอีกอย่างนึงว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เราชอบไม่จําเป็นต้องทําหากสิ่งที่เราไม่ชอบมีผล บ, บุญมากกว่าอันนี้เป็ น, เ ป, นเป็นความรู้ที่เราต้องต้อ ง, ต, องต้องเข้าใจในหลัการศาสนาบางอย่างที่เราชอบทําอะไรแต่ผล บ, บุญของมันน้อยหรือไม่มีผล บ, บุญสมมุติฐานว่ามันต้องไม่มีบาปนะเพราะสิ่งที่เราชอบที่มันมีบาปเราไม่ต้องทําอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราอยากทําไม่มีผลบุญ สิ่งที่อื่นสิ่งอื่นที่เราไม่ชอบแต่มันมีบุและบุมากกว่าอันนั้นควรควรที่จะควรที่จะทํามากกว่าถึงแม้ว่าเราไม่ชอบหรือชอบอย่างอื่นมากกว่าเรื่องนี้จะปฏิบัติได้ในะเรื่องนิกายเรื่องแต่งงานนะเอเอเกิดมาชอบคนนี้ชอบคนนี้เราก็รู้กันในใจว่าคนนี้เขาเขาคง ไม่ได้พาเราไปสวรรค์หรืออาจจะอาจจะเสี่ยงอาจจะต้องหลงทางครับคนจะถึงสวรรค์ น, นี่อแต่คนนี้ไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบแต่เรารู้แก่ใจนะว่าเออคนนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยที่จะช่วยเราในเรื่องศาสนามากกว่าคนนี้นี่บางคนถ้าไม่มีความรู้ถ้าไม่มีหลักการตรงนี้เนี่ยแน่นอนเลือกผิดเลือกผิดเพราะส่วนมากอส่วนมากเราจะเราจะเลือกสิ่งที่เราชอบ เมืออาหารสองชนิดเขาวางบนโตะ๊ะชนิดที่เราชอบกับที่เราไม่ชอบตักอันไหนอ่ะ <c oughs> ไม่ต้องถามเลยอันนี้มันไม่มีเรื่องผลล บ, มบไม่มีบาปไม่ใช่ไหมอาหารอาหารสองอย่างค่อยเลือกเราจะเลือกตักอาหารที่อาหารที่เราชอบอยู่ก็นนะ่ากันว่าถ้ามีปัญหาเกีเรื่องสุขภาพอันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนกันแหละสิ่งที่เราชอบแต่มันไม่ดีต่อสุขภาพกับสิ่งที่เราไม่ชอบแต่มันดีต่อสุขภาพ คนที่ฉลาดใช้สมองก็ต้องเลือกสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่มันมีประโยชน์สำหรับสุขภาพมากกว่าถึงตัวเองไม่ชอบก็ตามบทเรียนที่ได้มาหลังจากที่อัลลอฮสุลฮานวะห้ามไม่ให้มุชติกีนได้เข้าแผนดินฮารอมแล้วเนี่ยเราอย่าลืมว่ามักกะเนี่ยตั้งแต่ดึกดำบรรเนี่ยเป็น มึงหลวงของคาบสมุทรอาหรับเป็นศูนย์กลางของชาวอาหรับฉะนั้นธุรกิจวัฒนธรรมจะรีตประเพณีเทศการอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นศูนย์กลางคิดดูสิตลาดนัดสามตลาดเรียกว่าเรียกว่าเป็นเอ็กซ์โปใหญ่ของ ของขาวสมุดอราบในยุคนั้นน่ะนะตลาดที่ว่าประจําปีอะตลาดนั้นประจําปีสามตลาดเนี่ยมันจะเกิดช่วงฮัตอูกาฟดิลมาจัซและกมิจนะสามตลาดนี้ดังมากใครมีอะไรอยากจะขายอยากจะซื้ออยากจะอะไรนี่นีสมตลาดช่วงสามตลาดนี้มันจะเปิดสองอันเนี่ยก่อนฮัตแล้วก็อีกอันหนึ่งหลังฮัตสวยโอกาส อาหรับที่เขาเดินทางกันมามาทำมาทําองเรามาทำฮัจญ์ในช่วงเทศกาลฮัจเพราะเรื่องฮัจญ์ยิมีตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮีมอาหรับก็ถือว่าเป็นเป็นศาสนาศกิจศาสนกิจทธิสสธท้องถิ่นของเขาทํากันมาโดยตลอดถึงแม้ว่าปะปนกับเรื่องชีริกก็เรื่องอะไรที่มันมาม า, มาบิดเบือนกันที่หลังแต่โครงสร้างของฮัจญ์เราขอเราเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบราฮิ ซึ่งตอนนั้นน่ะตอนที่ท่านนบีพิชิตมาการแล้วเนี่ยส่วนมากในข้าวสมุทรอาหดับยังไม่ได้รับอิสลามแต่ยอมรับแล้วว่าท่านนบีเนี่ก็ถือว่าได้รับชัยชนะแล้วแต่ส่วนมากในข้าบสมุทรในพื้นที่อื่นๆนี่นะก็ยังไม่ได้รับอิสลามยังเป็นมุชริกมท่านนบีได้ประกาศแล้วพิชิตมาการพิชิตมาการแล้วก็ประกาศแล้วแล้วก็ให้อบบูบักรกับอบูฮุเรย์าะกับกับกาลีบนบีทูลิมได้นำอาญเนี่ย فلا يقرب المسجد الحرام بعد عاميم هذا. ذ ا ن س ي سمني، د ع ن فلا يقرب المسجد الحرام بعد عاميم هذا. د ع ن พวกเขา جميعاً قايت المسجد الحرام. لانجت بيه. م خون بيه. ل ا ن ي لانجت ب ي ن ي ه ل ا ن ج بيه. ل ب ا ت ب ي ن ي ه ل ا ن ج ا ب ت ي ب ا ت ه ا ه ل ا ن ن ه ا ن ل ا ن ا ن ن ل ا ن ت ب ي ي ب ا ت ن ي ท่านนาเลามานอกเริ่มจากดับีที่8เป็นต้นไปแต่วลาท่านบอกว่าไม่ใช่หลังจากดบีที่แนี่เริ่มปีที่เกพราะหลังจากปีนี้ปีนี้ปีที่แอ้นี้ตัวตัวประธานปีที่8ก็แว่าปีที่เกและท่านนบีส่งอลบนบีอลอิและก็อบดุลบากรส่งเบียนไอ้นนี้ปีที่เกาไม่ให้มุสริกินข้า มกะกะแต่มะกะเนี่เป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นเมืองเศรษฐกิจ ด, ด้วยธุรกิจทุกอย่างที่มกะกะและมุชลีกินทั่วข้าวซอยก็ถือว่าเป็นลูกค้าลูกค้าของคนมกคะกะห้ามมุชลิกินเข้ามาแสดงว่าเท่ากับรัฐบาลไทยเนี่ยห้ามคนจีนเข้าเมืองไทยแค่ยกตัวอย่างเดียว เห็นภาพคือถ้าย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ไม่สนใจอะจีนจะเข้าไม่เข้าเนี่เขาก็ก็รวยอยู่แล้วใช่ไหมสิงคโปร์เขาก็เลยจีนจะเข้ามาเนี่ยก็ต้อง ม, มีเอกสารฉีดวัคซีนไม่รู้กี่เข็มมีเอกสารว่าปลอดโควิดอะไรนะไทยนี่ไม่เหมือนสิงคโปร์เปิดเปิดกว้างเลย แน่นอนคนที่รับผลกระทบเนี่ยเขาก็ต้องเขาก็ต้องรู้สึกเสียหายดิเสียหายสมมติว่าเขาธุรกิจของเขาเนี่ขายขนสัตว์หนังสัตว์อะไรพวกเนีเ้ทั้งปีเนี่ยก็ทําขนสัตว์ทําหนังสัตว์ทาเย็บเสื้อผ้าจะได้ขายคนที่ม า, มาทำํำข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าท่านนาบีพิชิตมักกะแล้วนี่นะ ท, ทั้งทั้งดิ ศาสนาอิสลามเนี่ยไม่เห็นด้วยกับอะไรหลายอย่างที่มันเป็นชิร so ิกเป็นอุตริกกรรมหรือเป็นเรื่องที่มันมันขัดกับหลักการศาสนาอึงสิ้นเชิงอ่ะแต่นบีได้ทิ้งโอกาสโอกาสให้คนที่มานี่นะมาปรับตัวเนี่ยโอกาสให้หนึ่งปีหมายถึนว่าในละหนึ่งปีนบีไม่ได้ห้ามใครเลยนะบอกวาไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามเข้ามาทําอมรอมมาทําฮัดหรือมาทําได้แต่ให้ให้รับรู้แล้วนะว่า ตั้งแต่ปีนาเป็นต้นไปนี่นะไม่ไม่ได้แล้วนะไอ้ที่มาตะวากกันแก้ผ้ากันนี่ไม่ได้แล้วนะไอ้ที่มาแล้วก็พาทั้งคนกับพาเจวิตของตัวเองเนี่ยมามาบูชามาสักการะเหมือนเดิมหรือจะมีสัตว์พลีถวายให้ให้เจวิตต่างๆที่เคยทํากันเนี่ยไม่ได้แล้วนะไอ้ที่มาเสี่ยงท้ายมาจับฉลากกันหน้าม่สิทารมอาจะเดินทางไม่เดินทางจะแต่งงานไม่แต่งงานไอ้ที่ก็เคยทํากันอย่างอย่างที่มีในปัจจุบันนี่ก็มีอันนี้ก็ไม่ได้แล้วนะ ให้ระยะานึ่ปีแสดงว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเข้าใจในบริบทของการเปลี่ยนแปลงอย่าลืมนะนี่บางเรื่องบางเรื่องที่ท่านนาบีได้ได้ปล่อยโอกาสให้ปรับปรุงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมักรู้หรือเรื่องที่ไม่ควรอะไรไม่ใช่นะมันเรื่องบาปชัดๆนะเรื่องกุฟอรชิริกชัดๆนะโอ้โหเดาคน ทั่วคาบสมุทรอาหรับเนี่ยเขาจะได้กว่าจะรับรู้กว่ามันก็ต้องมันก็ต้องมีเวลาสิมันก็ต้องทิ้งจังหวะทิ้งช่วงให้คนได้รับรู้บ้างให้ให้ทันที่จะปรับตัวบ้างนี่นี่คือเป็นอีกตัวตัวอย่างให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของหลักการศาสนาก็เป็นบทเรียนที่สามารถนำมาใช้ได้สำหรับ พื้นที่หรือบุคคลที่ที่เขาจะรับอิสลามใหม่เนี่ยต้องเข้าใจต้องเข้าใจนะคนมารับอิสลามใหม่เนี่ยชีวิตเขาค่อยยังไงคือจะหวังว่าเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนพับ เ, เปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงนี้มันบางคนเนี่ยอาจอาจจะเป็นไปได้เขาจะศึกษาเรียนรู้อย่างละเอียดทีทั่วเลยว่ามุสลิมดำแบบนี้แบบนี้ไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องทําใจแล้วก็รับรู้หมดเลยนะพอรับอิสลามแล้วเนี่ยเปลี่ยนหมด เป็นหมดแต่ไม่ใิ่ทุกคนที่มีโอกาสแล้วก็จะหงอแบบนี้บางคนนะ่ะปุ๊บ ป, ปะวะเข้าอิสลามแล้วอะไรหอยไว้อะไระเก็บไว้ในกระเปะาเขายังไม่รู้ น, น่นพะพอรับอิสลามแล้วอ้าวส้อยเฮ้ยทำยังไงล่เียงไม่ทันรับอิสลามแล้วเราจะจะเอาเรื่องกับเขาได้ไงจะเย็นยนก็ต้องต้องค่อยค่อยค่อยคอ ย, คอ ย, คอยสอนแม้ว่าจะเป็น ชายหรือหญิงแม้ว่าจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงบางทีเนี่ยพี่น้องเราต้องเข้าใจว่าอิสลามกำลังกระจายอย่างรวดเร็วแล้วบางทีเนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยอิสลามได้กระจายไม่ใช่ด้วยน้ำมือนะด้วยด้วยผลงานของเทคโนโลยีเปิดย t u b e อย่างเงี้ย สจะทรมชัดเจนรับอิสลามแล้วแต่เขาไม่รู้รายละเอียดอื่นๆแล้วไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีครูไม่มีคนที่จะจูงใจเข้าไปทำไอ้ถ้าระวังนี่ทำเนี่นะไม่มีเนี่ยมีเคสแบบนี้เยอะนะพอรับอิสลามแล้วเนี่ยพฤติกรรมดั้งเดิมข้อนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยคนที่รับอิสลามแล้วไม่ได้เลิกเล่าไม่เลิกยังไม่เลิกเล่ายังไม่เลิกสินะถามว่าแล้วเขาไม่รู้ไม่รู้จริงๆ ไม่รู้ จ, จริงๆเพราะสิ่งที่ประทับใจของเขาในเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างอิสลามโดยรวมเช่นเรื่องอะกิดาเรื่องมีพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยเขาประทับใจในเรื่องนี้เรื่องเดียวและยังไม่มีเวลายังไม่มีโอกาสที่จะไปศึกษารายละเอียดมีน่ำซ้ำเนี่ยสิ่งที่มันจะทําให้เขาเนี่ยอาจจะต้องเสี่ยงมากในเรื่องในเรื่องความไม่รู้นี่นะก็คือเขาอาจจะมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นมุสลิมมานะทําทุกอย่างเลย อ, นนอันนี้จริงใช่ไหมอันนี้จริงเห็นมุสลิมกินเหล้าเห็นมุสลิมทำสินะ่นั้นเขาคงได้รู้แล้วว่าอ๋อแสดงว่าเรื่องนี้ไม่หลักการศา ส, สนาเนี่ยแต่เรื่องสําคัญที่เขาประทับใจนี่ก็คือเรื่องอักกิด้เอ้ยมีพระเจ้าองคุชแฉวเรื่องนี้แจวโคชก็เป็นจิตศัตธรรมมันมันสว่างมากไงแต่สิ่งที่มันทําให้ศัตรูธรรมเนี่ยงมงายบางอย่างนี่คือพฤติกรรมของมุสลิมเองทําให้เขาสับสน คนก็จะถ่ายทอดความรู้จากไหนก็จะคอข้อความอ่านข้อความหรือพฤติกรรมของคนคนเราเองมุสลิมเราเองเนี่ยเวลาเห็นพุทธทำอะไรอะไรเราคืออ๋อแสดงแสดงว่าศาสนาพุทธเขาเป็นอย่างนี้เราเร า, เราเองก็บางทีก็ทําแบบนี้พี่น้องชาวพุทธก็เหมือนกันเนวลาเห็นมุสลิมอ๋อแสดงว่าอิสลามทําไ ด, ไดไ้เรื่องนี้มันก็ยิ่งทําให้คนจากบทเรียนเนี่ยเราจะเห็นว่าสมควรที่จะให้โอกาสกับพี่น้อง มุสลิมที่รับใหม่และเช่นเดียวกันแม้กระทั่งพี่น้องที่ไม่ได้รับอิสลามนะพี่น้องต่างสาสนกที่ไม่ได้รับอิสลามแต่เข้าใจอิสลามผิดความเข้าใจอิสลามผิดนี่มันเกิดจากน้ำมือของเราบ้างพฤติกรรมของมุสลิมเราบางคนบ้างที่เข้าใจอิสลามผิดผิดถูกๆและมีพฤติกรรมที่ที่สื่อให้คนให้คนเนี่ย รัรู้อะไรบางอย่างว่ามันเป็นอิสลามแต่มันไม่ใช่อิสลามมันเป็นความเข้าใจของมุสลิมบางคนบางกลุ่มก็ได้หรืออิสลามถูกบิดเบือนด้วยความด้วยน้ำมือด้วยความของคนที่ไม่หวังดีกับอิสลามนะแต่ไอ้สื่อที่คนนี้พวกนี้เขาไม่หวังดีกับอิสลามนี่มันกระจายไปทั่วโลกทําให้คนเนี่ยเข้าใจเข้าใจอิสลามผิดผิ ด, ผดถูกๆจัก จากชิ้นงานเหล่านี้แม้ว่าจะเป็นข้อเขียนของพวกบุรพาคดีที่เขาเขาเรียนรู้อิสลามอย่างละเอียดแล้วก็หาจุดอ่อนมามาโจมตีอิสลามหรือพวก <c oughs> นักเคลื่อนไหวที่เขาอาศัยศิลปะทุกด้านนะครับดันสื่อดัน ศิลปะของภาพยนตร์ของละครของในการจวมที่อิสลามอย่างนี้มีเยอะมากเยอะมากๆรวมถึงผลงานของมุสลิมแท้ๆเรื่องนี้เรื่องสือ่อเรื่องเรื่องภาพยนตร์ละครมุซลิมแท้ๆเลยแล้วเกิดจากการนี้มุสลิมแท้ๆเนี่ยไม่เข้าใจอิสลามไม่เข้าใจอิสลามอย่างผู้กํากับคนหนึ่งชีอาบัสชีอะไรนะมุสตาฟาอลัลกัด เป็นผู้กำกับดังที่เขา้าที่เข้ากำกับภาพยนตร์อมอรัลมุคตาคนเดียวกันนะที่กำกับภาพยนตร์อริซาละ่ะเและในริซาลานี่อาบาออกหมดเียบแน ล, ละกั้วก็เป็นภาพยนตร์ที่ทำดีนะลงทุนเยอะนะ แม้จะมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมที่ดูภาพภาพยนต์นี้แน่นอนเรื่องประวัติศาสตร์ก็ดีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสฮาบักก์ดีมันก็จะถูกถ่ายทอดโดยปริยายเลยทั้งทีไม่ใช่การแสดงสฮะาบักก์ในเรื่องที่บิดหลักการศาสนาคนส่วนมากในประชาชาติอิสลามเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องมีรู้เรื่อง ยิ่งภาพยนตร์ละครพวกนี้เนี่ยก็จะเขียนข้อความต่างๆเนื้อหาต่างๆในภาพยนตร์ น, นี้ในละครนี้เนี่ยถูกตรวจสอบโดยคณะอุลากชุดหนึ่งจากอาสาจากคงนี้นอ๋อนี่แสดงว่ามีผู้รู้เขารับรองอยู่แล้วเอยิงไปกันใหญ่แบบนี้นะมบเยอะมีเ ย, ะยะอะเห็นไหอที่เขาอ่านคุร์อ่านด้วยเสียงดนตรีอินโดนีอินโดนีก็มีแล้ว เห็นละโมร็กโคก็มีละอาซานด้วยเสียงเดดนตรีหมายวอาซานแล้วก็มีชุดคอนเสิร์ตครบเลยอออนนั้่านสุราอะไรนะ ท, ท, ที่อินโดนี่อา่อานกุฎอ่านชุดคอนเสิร์ตครบเลยใครอ่ะใครที่สอนเขาว่ากุฎอ่านอา่านเดเดดนตรีได้ใครอ่ะแล้วก็ทําในประเทศมุสลิมใหญ่ที่สุดในในโลกอ่ะ แล้วก็คลิปนี้ในะ YouTube นี่โอ้โหคนดูเป็นล้านนะโอกาสคนที่จะเข้าใจผิดเพี้ยนเะอากุรอ่านเอามาอ่านกับดนตรีโอกาสสูงเนี่ยอะไรที่มันเป็นกระแสะต่างๆที่ทำให้คนเข้าใจอิสลามผิดนี่ทำให้เราต้องอดทนนิดนึงนะครับอดทนนิดนึงและการทำงานศาสนาในการชี้แจงเผยแพร่ศาสนาเนี่ ย, นนนยในยุคนี้เนี่ยก็ไม่ต่างกับยุคของท่านนบีสุลละลิลัม ที่เขาเข้าใจเข้าใจสิ่งสิ่งที่มันผิดผิดเนี่ยเข้าใจว่ามันถูกอปถึงขนาดที่มองว่าการตั้งพาคีกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยมีภาคีมีคู่เคียงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่การที่เชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียวนั้นเรื่องปลาดเรื่องแปลกอาจจะอะไรแอลี่ฮะแอิละานัวฮิดะนะแต่ละเชื้อโน้เจนี่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่เราเราอย่าแปลกใจนะ ว่าความถูกต้องสิ่งที่ถูกต้อง ท, ที่เรารู้ว่ามันเราตระหนักดีว่ามันถูกต้องนะเราต้องเผื่อไว้นิดหนึ่งว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้และเข้าใจความถูกต้องเหมือนเราเราต้องเปิดเปิดใจกว้างนิดนึงเผื่อไว้นิดหนึ่งว่าเราจะทำยังไงให้ปรับปรับทศัศนคติปรับความเข้าใจให้เขาเนี่ยมีบรรยากาศไม่ใช่ให้เขาเข้าใจนะ เพราะการนี้เขาจะเข้าใจอาจจะไม่มีปัญหาแต่สร้างบรรยากาศให้เขามีปัจจัยมีเงื่อนไขที่สามารถเข้าถึงความความถูกต้องได้บางทีนี่ปัญหาใหญ่ที่สุดปัญหาใหญ่ที่สุดว่าคนที่ไม่ยอมรับความจริงและสัจธรรมเนี่ยบางทีเนี่ยเขาไม่มีปัญหากับความจริงและสัจธรรมแต่มีปัญหากับคนที่กาลังเสนอความจริงและสัจธรรมเกียรติเขาไม่ชอบทีหน้าเขา มีอาคาติแลยเขาแต่นักข้อจะเสนออะไรนี่มันผิดตลอดอืม mm hmm. ส่วนว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลเป็นบุคคลที่เขาไม่ชอบที่หน้าเราถ้าเราจะเสนอความถูกต้องกับใครนักเขาก็ไม่เอาเราอยู่แล้วทีนี้เราก็ต้องเผื่อไว้หนึ่งแล้วทํายังไงให้เสนอความจริงผ่านคนอื่นที่เขายอมยอมรับเนี่ยเขาเสนอถ้าหากว่าเราเลื่อมใสและมีความรักในตัวเสดจตมไม่ติดใจ อดีมฉัฟีวิตตวอันนี้ที่เรื่ององามีแลวามจริงความจริงเนี่ยความจริงเนี่ยความจรินี่ยความจริงเนี่ยความจริเนี่ยความจริงเนี่ยความจริงเนี่ยความจริงเนี่ยความจริงเนี่ยวมน่ยความจงเนีความจริงเนี่ยนริงเลยควมงน่ามจริงเนคนรเนียามน่ยควมจรงเลยควมรนไ่มง่ต้อารงนี่คือแสดงถึงความบริงุทธิ์ใจติน่อความจริงเนี่ัควรมรเ่ยไวม่จําเป็นห่อกสัมจริงเ่าเรนความ้องเน็นคนเสนอ คนอื่นก็ได้แต่ขอให้ศาสนาเนี้ยได้ถึงคนจํานวนมากที่สุดถ้าเราต้องการให้ศาสนาของเราสุภาพนาตาเลปรากฏจริงทีนี้คนที่เสียผลประโยชน์ที่มักกะนี่แน่นอนมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คนที่มักกะซึ่งเพิ่งรับอิสลามเนี่ยเพิ่งรับมิสลามเขาต้องลําบากใจแต่ลสุภาพนาตาเลปอบใจเขาทันที ว่าอินขีดตัวแม่เล่นฟ้า سوف ยุ่งนี่คุ้มอุลลาห์มินฟดลิละ่ากุ๊กเจ้าว่าความยากจนความยากจนจากการที่ห้ามลูกค้าไม่เห็ลูกค้าที่เป็นมุชริกีนเข้าเข้ามากล้าไม่ได้แล้วแสดงว่าธุรกิจค้าขายอะไรต่างๆนี่มันก็ต้องรับผลกระทบถ้ากลัวนะ Allah سنيع وف سوف يغنيكم الله الله ك ت ม غيب وتع من مي من فضله จากความกรุณาของพระองค์อินชาหากพระองค์ส่งประสงค์อินละหาลีมุลฮาคีมแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ส่งรอบรู้ผู้ส่งปรีชาญนี่เป็นบททดสอบบททดสอบตายตัวสำหรับทุกคนที่ เอาเล่าเชิญชวนให้เขาได้ยึดมั่นในความถูกต้องในศัลธรรมทุกยุคทุกสมัยก็ต้องมีบททดสอบนี้นี่ชาวมุกกะเพื่อรับอิสลามนะบทรรทดสอบที่ที่ต้องเริ่มต้นในชีวิตของเขานี่ก็คือบททดสอบเกี่เรื่องการค้าไรายได้ของเขาหลายคนนะครับไม่จําเป็นที่จะรับอิสลามใหม่หม่ถึงหมดเป็นคนต่างเสียงกันรับอิสลามใหม่ ตอนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยค้าขายอะไรที่มันผิดหลักการศาสนาเช่นค้าสุราหรือทํางานในสิ่งที่ไรายได้เนี่ยมันไม่ถูกต้องหรืออาจจะเป็นมุสลิมก็ได้นะครับที่ค้าขายในสิ่งแล้วรู้หลักการศาสนาว่ามันทําไม่ได้ว่าทำไมไทำไม่ได้ทุกหลักการศาสนาที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์เนี่ยรู้ได้เลยนะครับพี่น้องมันมีบททดสอบในตัว ทุกหลักการศาสนาทุกหลักการศาสนาที่เรารู้ใหม่เนี่ยมันมีบททดสอบในตัวคนที่ไม่เคยละหมาดแล้ว ร, รู้ว่าเฮ้ยต้องละหมาดเป็นบททดสอบเลยบททดสอบดิคนที่ใช้ชีวิตแบบแบบไม่ต้องตื่นสุบโบ อ, อย่างเงี้ยใช้ชีวิตมือม้อกลางวันเนี่ยไปกินข้าวอย่างเดียวไม่ต้องละหมาดหรืยอย หากไปบ้านถึงเวลาอัสสรีเนี่ยไม่ตรงกังวลมากเจริญมะกูเจริญมะอัสรีที่ไหนเอานี่ไม่อันนี้ไม่ดีอยู่เนี่ยไม่ด้อยู่ในบริบทเลยถึงเวลาค่ำเนี่ยเขากำลังเขากาลังพักผ่อนเพราะเดี๋ยวกันคืนเขาจะไปเที่ยวต่ออ๋อไม่ได้มีมีละหมาดมั่งิบแล้วพอดึกแก่ๆหน่อยนึงก็มีอิจาด้วยแค่รู้หลักการศาสนาว่าด้วยการละหมามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตก็ใช่บางคนเนี่พร้อมเปลยแต่มันมีบททดสอบในตัวด้วย ความลำบากที่มันจะเกิดขึ้นเรสาสมภารนาวาดาอะไรไม่ตรงการเบาของพระองค์ที่จะสวามีพักปฏิบัติตามคําสั่งโดยไม่แสดงไม่แสดงถึงความเต็มใจความเต็มใจในการปฏิบัติตามคําสั่งละหมาดนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องยากสําหรับคนส่วนมากอาจจะไม่ใช่แค่ละหมานี้ไม่ใช่เรื่องยาก แต่การที่ต้องละหมาดตรงเวลาที่เวลาทํางานเวลาทำอาหารกินเวลาที่เขาพักผ่อน<ม>เวลาที่เขาง่วงนอนอันนี้เนี่ยแค่ละหมาดสองระกาดนี้ไม่ใช่จะไม่ใช่เรื่องสาหัสมากแต่สองระกาดนี้ต้องตื่นมาตีห้าเนี่ยต้องตื่นมามันมัน ม, มันอยู่ตรงนี้ความความลําบากกันมาอยู่ตรงนี้สําหรับ สำหรับผู้หญิงสำหรับมุสลิมานี่การรับอิสลามนี่โอ้ง่ายเหลือเกิน لا إله إلا الله แต่การนี้ขเขาแต่งกายแบบแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่ต้องไม่ต้องซื้อผ้าเยาอะๆนะเสื้อผ้าแบบเออเศรษฐกิจพอเพียงโอ้ยอันนี้ต้องต้องคุมนูน่นต้องปิดนูน่นต้อ ง, ร ะ, ง, องระวังนู่นต้องระงนี่โอ้ผมว่าอี่บททดสอบบททดสอบที่ค่อนข้าง เองนะสำหรับมุสลิมานะพวกเราผู้ชายนี่ไม่รู้เรื่องกันหรอกเราเราสบากว่าเขาเยอะถ้าก็แปลกนะคนที่รับอิสลามเนี่ยแล้วก็ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเป็นเรื่องแปลกจริงจริงอันนี้มันก็บ่งชี้ด้วยนะนี่สัจธรรมของอัลลอฮ์นี่นะสัจธรรมของอัลลอฮ์นี่ไม่เลือกเพศนะแต่เลือกหั ว, หวใจ ท, ที่เต็มที่กับอัลลอฮ์จะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง ถ้ารัลสมานั้นประสงค์กระแสที่ทำลายความบริสุทิ์ของผู้หญิงทุกเรื่องเล ย, เนยในโลกในโลกนี้ทำไมไม่ประสงความสำเร็จกับผู้หญิงที่เขาอยู่เขาอยู่ในทุกเงื่อนไขที่จะทำให้เขาเนี่ยเป็นนางแบบเป็นดาราเป็นแต่เขาอยอมที่จะทิ้งนี่ทั้งหมด แค่รู้ว่าหลักการศสนาเรู้แล้วว่านะทิ้งเรื่องนี้หมดถ้าอัลลอฮ์จะให้ให้มุสลิมาทุกคนในฮิดายะแล้วก็คุมฮิจารบนี่อาจจะเป็นเรื่องปกติแต่อัลลอฮ์ประสงค์คนที่จะรับฮิดายะเนี่ยจะต้องคนอยู่ใ น, นในวงดนตรีในวงนักสแสดงในวงในวงนางแบบในวงนทั่วโลกมีเรื่องนี้ แล้วก็มันเป็นเบนบทเรียนด้วยอลัลลอ์บอกว่าถ้าถ้าพวกเจ้านีกลัวความจนความยากความยากจนอลัลลอ์จะให้มั่งมีนะแสะดงว่าผู้ศรัทธาเนี่ยต้องตระหนักในเรื่องนี้ไม่ใช่คนที่ทำให้เรารวยไม่ใช่ GDP, GDP ของประเทศที่ทำให้เรารวยแล้วไม่ใช่นายกเก่งที่ทำให้คนรวย ริสกีเนนี่เราต้องตระหนักให้ดีมากบางทีเนี่ยเราก็หลงดามสถานการณ์โอ้ขายไม่ดีเพราะอะไรเศรษฐกิจไม่ดีอ้อยขายไม่ดีเพราะอะไรเพราะนายกไม่เก่งนี่คือปัจจัยทั้งนั้นนะปัจจัยเหมือนเหมือนปัจจัยที่เราที่เราที่เราบางทีเนี่ยบกพร่องอาจจะมีผลก็จริงแต่ด้วยด้วยหลักเกณฑ์นะที่จะกํากับชีวิตของเราเนี่ย ไม่ควรที่จะพาดพิงถึงพวกพวกนี้ทั้งหมดเรื่องที่เราต้องตระหนักในริสกี้ถ้าเราทําหน้าที่ในการแสวงหาริสกี้ที่ฮัลแลเนี่ยเราต้องเชื่ออั ah, ลลอฮ์สุบฮานาห์ตาเป็นผู้ที่ทําให้ทําให้เราได้มั่งมีทําให้เราเนี่ยไม่ยากจนนี่อยู่ที่อัลลอฮ์สุบฮานาห์ตาระดับบุคคลบุคคล คนคนหนึ่งกําลังทําหากินกําลังหาไรายได้ทํายังไงจะได้มีรายได้ดีคนนี้เขาต้องถ้าเป็นผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องศึกษาให้ดีว่านอกจากว่าเขาจะศึกษาว่าเออทายัางไงให้มีรายได้ที่ดีในศาสตร์ความรู้ต่างๆที่จะทําให้เขาสามารถทําการตลาดให้ดีเลือกสินค้าที่ดีหรือทำาหากินหรือสร้างอะไรที่มัประดิษฐ์สิ่งที่มันดีที่ตลาดต้องการศาสตร์ทั้งหลายนี่นะอย่างต้อง ในฐานะที่เป็นผู้สตาร์เครื่องมือต่างๆที่จะทําให้เขาเนี่ยเข้าใจลตระหนักตระหนักดีด้วยแล้วจะทําอะไรให้รายได้ฉันเนี่ยลลทำอให้รายได้ของฉันเนี่ยเป็นที่พอพระไทยสําหรับอัลลอฮฺสุบฮานาห์อัลลอฮฺระดับบุคคลและระดับรัฐระดับรัฐรายได้ประเทศรายได้รายได้ ของประชาชนรัฐที่มีส่วนกำหนดรัฐที่มีศิลธรรมเนี่ยก็จะต้องไม่หลงกระแสอ๋อขายนี่ขายขายดิบขายดีนะขายดีกันตัวโลกกาลังดีเอามาขายเลยกัญชาเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้านจําได้ไหมแต่ ก, ก่อนเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้าน น, นี่พูดพูดหาเสียง บ่อยไงแต่ที่หลังเนี่ยมาจบที่ว่ากัญชาเพื่อการแพทย์อย่างเนี้ยชาวบ้านเป็นการแพทย์ทั้งนั้นนะชาวบ้านเนี่ยเป็นเป็นเป็นหมอบ้านกันทั้งทั้งประเทศอ่ะหรือว่าอย่างที่อย่างที่เคยเห็นว่ามีกลุ่มเขาบอกกลุ่มกลุม่มทำงานกลางคืนไปนประท้วงหน้าธรรเนียบกลุ่มทางานกลางคืนเออมีกลุ่มมีกลุ่มเหล่านี้เนี่ยกลุ่มข้อใหญ่นะ ที่ก็ทำและรัฐบาลและรัฐบาลก็สอนองความต้องการของเขามันไม่ใช่เรื่องที่น่าภูมิใจเลยนะสําหรับสําหรับผู้บริหารผู้ปกครองลูกหลานของเราแท้ๆที่ปล่อยให้เขาเนี่ยหาอะไรได้กับสิ่งเหล่านี้ทั้งๆที่เรารู้ว่ามันเป็นอะไรวันนี้นี่ผมเพิ่งรู้นะเดี๋ยวนี้มีประเด็นเรื่องเรื่องหวอัวอ่ะเรื่องแบตเตอรีร่อะ่ะผมเพิ่งรู้ มพูจริงๆนะออ ร, ร์เดอรี่นี่ห้ามขายให้ให้เด็กต่ำกว่าสิบแปดมีใครบ้ตาต่ำกว่าสิบแปดมีลูกผมคนหนึ่งห้ามซื้อออ ร, ร์เดอรี่นะออ ร, ร์เดอรี่ที่ถูกกฎหมายนี่นะถ้าต่ำกว่าสิบแปดนี่เหมือนบุรีเหมือนสุราต่ำกวาสิห้า 95, ห้ามซื้อเพราะอะไรเพราะอะไรบุรีแล้วก็สุราเนี่ยทําไมกําหนดว่าต้องต่ตา 98, ําต่ำกว่าสิบนี่ห้ามซื้อนี่เพราะอะไร สิแปดนี่ก็อาจจะโตแล้วนะโรตรีเนี่อพ อ, อะพ อ, อบายามุกโรตารีโรต ร, ร, รีของรัฐนะห้ามซื้อนะถ้าเด็กถ้าเด็กสิบแปดนี่มทา่าไหร่เนี่ยมมสี่มห้าแล้วมึงพอกแล้วจะมาหาอะไรแล้วนะี่ห้ามซื้อเพราอะไรเพราอบายามุกยอมรับกันว่ามันเป็นสิ่งที่ขัดกับศีลธรรม แต่ถือว่าเป็นรายได้สําคัญของประเทศถึงขนาดที่ออกพระราชบัญญัติเฉพาะเพื่อนําผลประโยชน์ของสิ่งอใบอุกเหล่านี้เนี่ยมาเป็นรายได้สําคัญสําหรับหน่วยราชการบางหน่วยเช่นแต่ก่อนโน้นก็มีพอร์ตบอลยังยังก็ยังมีสอ ส, อสอเอาภาษีอะไรอะ่ระภาษีสุราญสุภาษีเหล่าอะไรพวกเนี้ย เอามาให้หน่วยราชการจะได้จะได้ทำอะไรจะได้รักษาสุขภาพสุขภาวะมันไม่ใช่สิ่งที่น่าภูมิใจเลยนะเมื่อมีพระอาจารย์หลายคนที่ออกมาให้ความเห็นเขาบอกว่าเขาบอกว่านี่มั น, มนเงินบาประษีอันทีมน่มุสลิมที่พูดนะภาษีสุราและยาสูบนี่มันก็คือเงินบาป เออผมไม่รู้ว่ารตฐตระนี่เขาจมายีกันปะหรือเขาไม่ไ ม, ไม่ไม่เก็บภาษีรัฐตระกีอะไรแปลกมากนะครับอันนี้ในภาครัฐนะที่ไม่คํานึงถึงการบริหารรายได้ของประเทศชาติไม่คํานึงถึงศีลธรรมผมเคยพูดนะเลือกตั้งผู้ว่านี่นายบายไม่รู้กี่ร้อยนายบายนะไม่มีสักนายบายหนึ่ง บ้องกรุงเทพจากข้อหาว่าเป็นเมืองโสเพณีอะไรอะไรที่เกี่ยวกับศิลธรรมที่ทำให้คนกรุงเทพนี่อับอายอ่ะอับอายนี่พอไปที่ไหนทั่วโลกฟอมเว้บางกอกยิ้มเลยเขาคงไม่ยิ้มเนี่ยเพราะทุเรียนอร่อยดิงเทพนะไม่นะถ้าไปประเทศอาหรับนี่ก็คงคงเห็นเลยนรอยยิ้ม แบงกอกพัทยาอะไรพวกนี้เขารู้ว่าแถวนี้มันมีอะไรเป็นเรื่องที่ตลก น, น, นะผมผมเคยตกนุนะ่นในสมัยเว็บบอร์ดไม่รู้รุ่นนี้ทันเปล่าสมัยเว็บบอร์ดนี่เขียนบทความยาวอนะ่ะนัก็ผมจะเขียนเว็บบอร์ดดังๆอยู่ที่ประเทศอาหรับเขียนเขียนบ่อย แล้วก็มีการโต้เถียงมีการโต้ถผมก็เถียงก็เถียงเถียงเขาก็ตอบเขาตอบไม่ได้ตอบไม่ขึ้นนะ่ะคนเนี่ยเวลาจนปัญญาตอบอะไรไม่ได้เนี่ยเขาก็จะหาเรื่องอื่นเป็นคนเป็นคนที่ไหนโอ้คนเมืองไทยไทยอะไรบ้าง ก, กว่ามืองโซพฟนีบ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นนี้เรากำลังเถียงกนะันเอาเรื่องอื่นนะมึงมึงอยู่เมืองโสเพนีเมืองชิริกเมืองอะไรซึ่งมันไม่เกี่ยวกับคุยกันประเด็นืน เรื่องที่อับอาอยไงแต่ไม่มีใครพูดถึงประเด็นนี้เลยเออนิยามนิยามกรุงเทพมานาครทนนี่ว่าเป็นเมืองสุวินี้มันอยู่ในเด็กเชนารีของของอะไรนะอักสซอร์ปะผมลืมแล้วนะเอ่ขอของอังกฤษและอเมริกาจำได้อังกฤษ ไม่มีใครพยายามที่จะแก้เรื่องนี้จากชีรี่ถูกข้ามแม่เข้าเมืองไทยใช่ปะใช้ที่บมองไทยไม่ได้ที่ว่าเป็นเล่มอะนะแต่ในเน็ตนี่เพียบอะนะศีลธรรมในการไม่คำนึงถึงรายได้และสะตังค์สมัยที่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเนี่ยสมัยท่านอบดเนี่ยพออิสลามนีได้เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ <c oughs> ก่อนที่ท่า น, นาบีมาเทศนานี่ เรื่องโสเพณีเนี่ยในข้าวทรงอรับนี่เป็นเรื่องปกติเต็นแดงเนี่ยที่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของของสถานโสเพณีนี่นะอยู่หน้าหน้ากาบ้านเลยนะอยู่หน้ากาบา้านแล้วเป็นเรื่องปกติของของผู้นํามักกะเนี่ยวัน้าเผาเนี่ยที่จะมีทาสีทาสผู้หญิงที่จะหากินขายตัวเนี่ยแล้วก็นํารายได้เนี่ยมาให้ ไมห้หวาาวัวหน้าเผ่าที่เป็นเจ้าพ่อเป็นเรื่องปกติในการทำมหากินอิสลามเปลี่ยนแปลงนีอิสลามเ ป, ปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างมาร์ัดิบเนียบีมารสัดอัลกันวีอพยบจากมักกะไปมาดินาและนบีแต่งตั้งให้มารสัดเนี่ยเป็นคนที่ดูแล คนอ่อนแอที่อพยพจากมักกะไม่ได้ผัวคนชาราคนพิการผู้หญิงที่ไม่มีคนช่วยใครที่อยากจะอพยพและมีใครช่วยนีย่ท่านนบีก็จะส่งมา ร, ร์ซัดมาร์ซัดนี่ไปไปดูแลวันหนึ่งมาร์ซัดนี่ก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่มักกะนี่จะได้พา <c oughs> ผู้หญิงชาราคนหนึ่งออกจากมักกะก็ให้ออกจากมักกะแล้วนี่ยแล้วก็แกรออยู่ บางทีก็ไปเจอตอนที่มาร์เซดเนี่ยเป็นไม่ได้เป็นมุสลิมมานะ่ะชอบเที่ยวกังคืนชอบเที่ยวพวกเต็นแดงเนี่ยก็เลยเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเป็นแฟนเก่าแฟนเก่าอา้าวมาร์เซดนะไปไหนมานีมามามาคืนนี้มานอนด้วยกันมาร์เซดนี่ตอบอย่างไงนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงสังคมคือรู้ไง แยบาร า, ยยาลียวกาเลอิกริสลามสิ่งที่จะห้ามฉันและเธอไม่ให้ทําแบบนี้อีกแล้วคืออิสลามมันเป็นคําตอบที่เราต้องการทั้งในภาคส่วนบุคคลและก็ในภาครัฐเนี่ยโดยเฉพาะประเทศมุสลิมประเทศมุสลิมที่ตอนนี้เนี่ยหลงไหลาตามนโยบายของตะวันตกเยอะเรื่องอะไรได้ในเรื่อง ในเรื่องไม่คำไม่คํานึงถึงหลักการศาสนาของตัวเอง <c oughs> เรื่องรัฐนี่ต้องต้องพูดเนี่ยเพราะมันมันก็เกี่ยวมันมันก็เกี่ยวสถ า, านการณ์นี้เนี่ยเพราะในรัฐอิสลามเนี่ยพอห้ามไ ม, ม่ให้มุสลิกินเข้ามาไกลแล้วนี่แต่มีคนต้องมีคนมาบ่นกับท่านอบดุลเบยร์ถ้ามีไงฮะธุรกิจของเราการค้าขายของเราคนลูกค้ า, า, าไม่มีแล้วคําตอบมาอันนี้คําตอบระดับรัฐนะ ว่าอินทร์ขีมาลตัแต่พวกเจ้านี่กลัวความยากจนนั้นเดวเาใช้รวยไม่ต้องกลัวนี่นี่คือคําสัญญามั่นคงของรัฐของรัฐอิสลามที่ต้องให้กับประชาชนถ้าเลือกทางที่ดีเลือกทางที่ดีที่ถูกต้องสําหรับเขาและแน่นอนทางที่ดีมันก็ต้องมีอุปสรรคและมีความจํากัดคนที่ทำมาหากินอย่างสุจริต เราก็รู้กันเขาต้องลำบากรายได้ต้องน้อยกว่าคนที่อยากได้รายได้เยอะและเร็วทางลัดของมันเนี่ยก็ใครๆก็รู้่าสามารถทำยังไงแต่สำหรับมุสลิมเนี่ยทำไม่ได้แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือในระดับอ ง, งค์กรรนะดับบริษัทอย่างเงี้ยไม่ใช่บุคคลในไม่ใช่รัฐแล้วนะอันนี้เนี่ยที่เป็นสิ่งที่ท้าทายมากสาหรับ สัมรมุสลิมก็ดังนี้ในในชีวิตเนี่ยก็เจอเ ก, กับประสบการณ์เยอะนะครับนี่พูดถึงรวมถึงเรื่องอุตสาหกรรมอื่นอาชีพอื่นเรื่องอื่นที่เราไม่ค่อยมีโอกาสเอาอิสลามเข้าไปควบคุมด้วยเงื่อนไขของอิสลามด้วยเงื่อนไขของอิสลามท่องเที่ยว มาลเซียนี่ก็มีการพยายามที่จะให้มีท่องเที่ยวฮัลลัลผมก็ดูดูข่าวเขาบอกว่าฮั100 100ลลลร้อยเปอร์เซ็นต์รอทุกสิ่งที่ฮัลละไม่มีนะไปท่องเที่ยวนี่ฮัลลลร้อยเปอร์เซ็นต์าบอกว่าแม้กระทั่งโรงแรมโรงแรมนี่ไม่มีเล้าไม่มีหมูไม่ไม่มีอะไรที่มันหารม แต่พนัก ง, งานไม่คุมหิจาบผมก็เอเอก็คง <c oughs> ต้องเข้าใจ <c oughs> ต้องเข้าใจไง <c oughs> ถ้าเขาบอกว่าฮาลาล 98% ้าแเต่เขาบอกว่าร้อเปเนอันนี้เขาเขาาฟ้องตัวเองรอยอร์เนี่ยทุกอย่างมันฮาลาลแล้วก็ไม่คุมหิจาบนี่มันฮาลาลหรอมันแ ต, แต่เอาละมันเป็นการพยายามไงมั น, เ ป, นเป็นการพยายามและแสดงถึงว่าบางอย่าง ที่มันเป็นเรื่องที่ไม่เหลียงท่องเที่ยวนี่นะส่วนมากในเรื่องท่องเที่ยวเนี่มันจะผูกมัดกับเรื่องที่มันไม่ดีส่วนมากกันนะถูกผูกมัดกับเรื่องที่ไม่ดีอย่างคนที่มามาเที่ยวบ้านเราฝรั it, ่งที่มาเที่ยวว่าอาหรับที่มาเที <ah ่ยวมาเที่ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่มาเที่ยวที่ไม่ที่มารักษานะมาที่มารักษาพยาบาลนี่ที่มาเที่ยวนะอาหรับเขาเขาไม่ได้มาเที่ยวเดินป่าอย่างเงี้ยเขาเที่ยวของเขาแล้วก็ราก็รู้กันเขามาเที่ยวทําอะไร เราสามารถเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมนี้ได้ไหมมีพี่น้องบ้านเราเนี่ในเมืองไทยเนี่ยก็พยายามเรื่องนี้เนี่ยแต่อุปสรรคเยอะมากเลให้ให้ท่องเที่ยวที่มันฮาลาลที่มันไปประสบ ป, ปัญหานี่กับนักท่องเที่ยว <c oughs> ที่เป็นมุสลิมนี่แหละเราเนี่ยเข้าใจว่ามุสลิมทั่วโลกเขาอยากจะเที่ยวแบบฮาลาลเราเนี่เข้าใจอ ย, อย่างนั้น ซึ่งมันก็ตรงกับหลักตักกะอะไรมันก็ใช่อ่ะมุสลิมเนี่ยก็ต้องเที่ยวแบบแบบอิสลามเนไงถึงถึงแม้ว่าม่ใช่แบบเขร่งคัดนะแต่ก็แต่ก็แบบไม่มีอะไรที่มันน่าเกลียดไกด์มุสลิมเราเนี่ยเอาเจออราบมาสนามบินก no ็ไปทักอัสสลามอะไรกูคือหนีเลยนะไม่ใช no no ่ไม่ตอบแม่หนีเลยอะไม่ไม่เพราะราบนี่ก็มานุ่งกันเกงสั้นเนี่ยคือเขามาตั้งใจมาเมืองไทยเนี่ยเขาจะมาเที่ยวแบบ น, นี่พอรู้ว่ามึงไทยก็มีมุสลิมด้วยแหละตายกูมันเที่ยวไม่ได้แล้วหนีหเลยแต่แปลกนะเดี๋ยวนี้เนี่ยที่ประเทศประเทศตะวันตกเนี่ยมันเริ่มบูมละเขาเด็กท่องเที่ยวการท่องเที่ยวครอบครัวใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากกับท่องเที่ยวแบบอิสลามที่ไม่มีสิ่งมลทินนะ่ะ ทำไมครอบครัวไม่มีนะไปที่ไหนเนี่ยพาไปที่ไหนมีเหล้านะไม่อยากให้ลูกเห็นเหล้าอย่าไปที่ไหนเนี่ยมีอะไรโชว์แบบโป๊ะนะไม่เอานะไม่อยากให้ลูกเห็นอะไรพวกนี้อย่าพาไปที่ไหนที่ที่ที่ที่มันที่มันมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศไม่ไปเอานะครอบครัวของฉันนี่ครอบครัวสตรีทครอบครัวตรงแบบครอบครัวแล้วก็ยิ่งกว่านั้นนะครับก็มีครอบครัว ที่เป็นคริสเนี่ยทางตะวันตกนี่ที่เขาเค้่งคัดเขาจะเลือกเลยนะแล้วมันจะมีออปชั่นสำหรับบริษัทท่องเที่ยวสำหรับคนเคร่งศาสนาคริสตเคร่งศาสนายิวมีแล้วผมได้ยินแล้วแต่ยังแต่ยังไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองนะว่าบางบริษัทที่ประเทศที่ประเทศตะวันตกเนี่ยสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิมเนี่ยมีมีออปชั่น สำหรับคนที่เคร่งศาสนาทนี่หมายถึงว่าจ ะ, จะไปสถานที่ที่มันที่มันไม่มีอะไรที่บิดละ ก, กันศาสนาคือสิ่งที่มันมันบงชี้ว่าเลือกทางของของศาสนาเนี่ยแล้วัลสพาณวจาเราจะการันตีรายได้เนี่ยอันนี้เนี่ยพิสูจน์แล้วอ่ะนะในด้านในด้านฟนนซ์ก็คือในด้านสินเชื่อแบบสุกุก ที่ไม่ใช้ดอกเบีย้ยอันนี้เนี่ยในประเทศตะวันตกเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่ไม่น่าเชื่อนะครับเมืองหลวงของอันนี้นักธุรกิจนะเมืองหลวงของสุกุกเนี่ยสุกุกอิสลามิยะนี่ก็คือสินเชื่อที่ไม่มีดอกเบีย้ยรายละเอียดเยอะนะไม่ต้องอธิบายเรื่องนี้เมืองหลวงของสุกุกเนี่ยอังกฤษประเทศอังกฤษไม่ใช่ตุรกีนะไม่ใช่มาเลเซียนี่พยายาม แต่เมื่อกดด้วยธนาคารทั้งหมดนี่นะ ท, ที่อังกฤษนี่นะธนาคารยักษ์ใหญ่นะเปิดวินโดสุกุกเลยทุกธนาคารและอำนวยความสะดวกนักธุรกิจทั่วโลกโดยเฉพาะที่เป็นมุสลิมที่ไม่อยากยุ่งกระดกเบีย้ยโอ้โหเชื่อเป็นพันล้านกม็มีตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเงินหมุนเวียนในสุกุกนี่ประมาณสามล้านล้านดอลล่าข้าอมูลนี่หลายเดือนแล้วนะ่ผมยังไม่ได้อัปเดตอันนี้มันเป็นตัวอย่างให้เห็นนะเอา หันหนีจากดอกเบีย้ยนี่หันมาแสดงว่าไม่ได้จนนะไม่ได้เจ๊งนะถ้าจะเลือกทางที่อามาให้มาเนี่ยใครบอกนี่แม้กระทั่งคนนี้ไม่ยู่มุสลิมยังเอาเลยวิธีอื่นนะ่ะในชีวิตของเราไม่ใช่เศรษกิจอย่างนี้ต้องเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องอะไรต่างอีกอย่างนึงก็คือฮาลาลบริษัทยัก์ใหญ่ทั่วโลกบราซิลเนี่ยเป็นแหลง่แลงแหล่ง ผลิตเนื้อวัวออสเตรเลียเนื้อแพะบ้านเราเนี่ยไก่ทําไมอ่ะแหล่งผลิตปศุสัตว์ยักษ์ใหญ่ที่สุดสัตว์ปีกวัวแล้วก็แพะเนี่ยที่ที่ส่วนมากคนในโลกนียเขาบริโภคกันนะนะมีฮาลาลถึงนั้นเออถ้าเรื่องฮาลาลนี่ต้องถุกแล้วก็แล้วก็ เราต้อ hmm. งเข้าใจนะว่าจะได้ได้แต่ฮาลานเนี่ยเงินไขว่าคนที่ต้องเชื่อดนี่ต้องเป็นมุสลิมนะไม่ใช่มุสลิมไม่ได้นะอะแสดงว่าอุตสาหกรรมที่เขามีโรงงานโรงเชือดใหญ่ที่เปรเซีลเนี่ยเชือดวันหนึ่งเนี่ยเป็นแสนตัวนะผมดูสารคดีอันนี้ขไม่น่าเชื่อเลยะเชือดวันหนึ่งเ่ะเป็นหมื่นเป็นแสนตัวเลยนะคนที่ต้องเชื่อดนี่คนที่เชื่อดต้องเป็นมุสลิมนะไม่ใช่เอาคริสตเลิกแล้วก็บิสมิลเลก็ไม่ได้นะ บ้านเราก็เหมือนกัน น, ะนะั่นแหะซีพีที่เขาได้ฮะลาเลยนะต้องเอปอ็มุสลิมนะไม่ใช่ใครก็ได้แล้วก็บิสมิลลาแล้วมันใช้ได้นะไม่ใช่นะแล้วผมเคยไปดูในะโรงงานแต่มาช่องซีพีนี่ของอีกบริษัทหนึ่งอง่ะเขาอาให้เกียรติมากเลยนะครับศาสนาอิสลามคนที่เชื่อียต้องเป็นมุสลิมแล้วก็มีมูส ล, ลามมีมสัสยิดให้มีแล้วก็แล้วก็กะทํางานเนี่ยให้ทํางานกะละสามหรือห้าชั่วโมง ทำไมอเบอกว่าเเชื่อดเนี่ยเชืสัตว์เนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพจิตเพราะนั้นจะเชื่อดนานเนี่ยมันไม่ดีเขาบอกว่าต้องเชื่อดแล้วก็พักสามชั่วโมงก็พอแล้วโอ้เขาดูแลสุขภาพคนคนที่เชื่อดด้วยนะเอาแสดงว่าการที่จะการที่จะเน้น <c oughs> ให้อุตสาหกรรมประสุสัตว์เนี่ยปฏิบัติตามเงื่อนไขอิสลาม ไม่ได้ทําให้ไม่ได้ทําให้เสียหายขาดทุนเลยนะคนที่ออกมาต่อต้านฮารลาลนละ่ะเนี่ยฝ่ายบริหารประเทศมีใครฟังเขาบ้างเฮ้ยไม่มีอะไรนะเชียงใหม่ไม่เอาฮารานยี่เอาเชียงใหม่ไม่เอาฮาลาน ม, ม, มีใครเขาฟังเข้มาม่ <c oughs> มีใครเอาด้วยหรอกทําไมอะไรได้ไรได้มหาศาล นี่ทั้งหมดเนี่ยฟะเซาวฟะยุหนี่คุมุลละห์มิมฟ ضل ีกลัวจะนนะกลัวจะจนไไหมอ่ะอัลลอฮ์จะให้พวกท่านรวยแล้วมันพิสูจน์ได้เห็นแล้วด้วยแล้วก็มันอยู่ที่ว่าเราเราจะเอาหรือไม่เอานั่นแหละเหมือนทุกเรื่องในชีวิตของเราเราจะเปลี่ยนแปลงอนะ่ะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงโดยเลือกทางที่ไปหาละสุภาโนวาตาล่นะนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับ อนุสภานุวตาเาจะจะตอบแทนจะทดแทนผมมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนแรกว่าจะฝากตอนแรกเนี่ยแต่คิดว่ามันมันเหมาะสำหรับการทิ้งท้ายวันนี้ก <c oughs> <c oughs> ารเรียนรู้และการศาสนานี่นะครับพี่น้องอยางเรื่องอยางเรื่องนี้เนี่ย <c oughs> อาย่านี่ก็ถือว่าสองสัปดาห์แล้วนะ แต่มีความสำคัญมากในภาพรวมภาพรวมของคนที่เรียนรู้อัลกุรอานศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ใช่มีไม่ได้มีแค่เรื่องละมาดเรื่องสการ์ทีเดียวนะเรามีเรื่องเกี่ยวกับรัฐศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องบริหารและสำหรับเยาวชนหรือทุกคนที่สนใจที่จะเรียนรู้อิสลาม ไม่ควรที่จะแบ่งแยกหลักการศาสนาเนื้อหาศาสนาที่ควรเรียนรู้เนี่ยตามอำเภอใจหรือตามรสนิยมของสังคมสังคมให้ความสำคัญกับอะไรเราก็เรียนรู้อิสลามตามนั้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นจุดอ่อนจุดอ่อนที่สุดของสังคมบ้านเราแล้วยังจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เยาวชนเสียเปรียบในการเรียนรู้หลักการศาสนาที่สาคัญมาก สำหรับสำหรับสังคมสำหรับชีวิตของตัวเองผมไม่ละเว้นอะไรเลยนะคนที่มาใส่ใจว่าเราต้องเรียนรู้เรื่องละหมาดยังไงอย่างเดียวหรือคนที่มาใส่ใจต้องเรียนรู้วิธีอาบน้ําละหมาดให้มันซะคนที่าต้องเรียนรู้เรื่องทําความสะอาดให้มันสะอาดให้มันซ้จนชีวิตของเขาเนะี่ยอยู่กับเรื่องอาบน้ำละหมาดอยู่กับเรื่องอ่าห่างจากนจาซะเรื่องวิธีละหมาดละ ต้องเ่ามด้ซ้อนมันยังงี้เราตกลงมันต้องวางยงไงอะไร้ชีวิตวนอยู่กับเรื่องเนี้หรืออกีดได้เราต้องเรียนอกิดได้เราก็คือคือสรุปแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยส่วนมากการที่เขาเรียนอกิดได้เนี่ยเขาได้แค่ประโยคนี้นะคือเรียนคําว่าเรียนอกิดได้แต่อคิดได้จรินี่ก็ยังไม่ได้เรียนกันนะรายละเอียดของเรืนั้นก็ยังไม่ได้เรียนกันนะแต่ถึงจะเรียนก็ตามนะครับไอเรียนอกิดได้เนี่ยศาสนาอิสลามนี่มีดีมีอคิดได้อย่างเดียวมีมีแต่ศาสาอิสลาม แล้วเมื่ อ, อไรเนี่ยเราจะรู้ว่าเออถ้ารัฐอิสุนรัฐอิสลามเนี่ยรัฐอิสลามเกิดขึ้นแล้วก็เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐอิสลามเนี่ยล้วจะทำให้คนเนี่ยหารไรได้ทำหมากินมีความชอบในอิสลามเรามีทฤษฎีเรามีศาสตร์มีความรู้อะไรบ้างที่จะช่วยตรงนี้ไม่ต้องถึงขนาดที่เป็นรัฐอิสลามนะสมมติว่าเราลิมเนี่ยเล่นการเมืองไม่ต้องสมมติว่าเรานี่นะ เ ป, ประชาชนอยากจะช่วยนักการเมืองอุสลิมที่กำลังเล่นการเมืองเนี่ยพี่ถ้าเข้าไปอยู่ในสภาแล้วถ้าเข้าไปเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยสมมติวพี่จะเป็นอะไรจะเป็นรัฐมนตรีส่วนรัฐมนตรีอะไรอะอะไรเดียรยัฐมนตรีขมานาคม เราจะทํำยังไงให้ให้เอาหลักการศาสนาเนี่ยมาปรากฏเป็นผลงานเป็นผลงานของของมุสลิมที่เป็นเป็นเป็ น, นรัฐมนตรีข้ามนาคมลําพังนักการเมืองคนเดียวเขาจะทำงานคนเดียวไม่ได้ก็ต้องมีทีมเขนต้องเป็นทีมงานที่เป็นมุสลิมที่เข้าใจหลักการและช่วยช่วยส่งไอเดียช่วยส่งข้อมูลแล้วก็ช่วยส่งเครื่องมือที่จะทําให้เขาเนี่ยเพราะเขามีงบแล้วเขาเป็นรัฐมนตรีมีงบแล้วเขามี อำนาจแล้วเนียแต่จะทําอะไรอะ่ะกี่มากน้อยที่เป็นรัฐมนตรีมาแล้วเขาอํานาจล้นฟ้างบประมาณล้นฟ้าออกมาจากการเป็นรัฐมนตรีมุสลิมทั้งทีนะแต่ไม่ได้ไม่ได้สร้างผลงานเท่าที่ควรมีผลงานคนนี้กันมีหลายคนมีผลงานเยอะแต่มันไม่เท่าที่ควรผมคิดนะว่ามาขาดขาดทีมงานขาดงานวิจัย พวกเราเนี่ยมาศึกษาต่วพวกเราเนี่ยมาเรียนรู้แต่เศษเนี่ยไม่จําเป็นนะต้องอ่านภาษาระดับเป็นต้องไปเรียนเมืองนอกเราจะได้มีผลงานของเราเกี่ยวกับเกี่ยวกับประเด็นประเด็นหนึ่งเรื่องเรื่องหนึ่งที่ยังไม่มีใครเคยพูดเลยเราโฟกัสเรื่องนี้แล้วก็มาศึกษาเรื่องนี้ในชีวิตทั้งชีวิตสมมติว่าเราเรียนไอทีก็ตามเราเรียนสังคมเราเรียนครุเราเรียนอะไรก็ตาม แต่เราสามารถที่จะโฟกัสไปเรื่องหนึ่งที่สังคมยัคนที่เรียนรู้เรื่องอาคีดานี่มีเยอะแล้วมีเยอะแล้วแต่คนที่จะมาช่วยให้สังคมเนี่ยได้มีทางเลือกในการบริหารในการในการปรับปรุงสังคมเนี่ยอันนี้เราเรายังขาดงานีจะเยอะยอะลองไปหาดูสิ บทบาทของมสัสยิดในสังคมมุสลิมแทบไม่มีแทบไม่มีงานวิจัยที่มันเป็นชิ้นเป็นก้อนนะที่จะช่วยนักบริหารระดับประเทศนะอย่างคานากรรมการอิสลามเขาจะได้เ ข, า จ, ขาจะได้ทำงานแบบมีแบมีมีฐานข้อมูลที่มันเป็นวิชาการบ้างนะแต่ไม่มีเลยเราได้ศึกษาเพียงเรื่องของ สมัยท่านนบีเรื่องของธธมัสยิดฮารอมเรื่องขอบเขตมัสยิดฮารอมเนี่ยเราก็เห็นว่าเออมันมีอะไรหลายอย่างที่มันเป็นข้อมูลความรู้ที่คนส่วนมากเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจกันเขาไม่ได้ใส่ใจกันเลย <c oughs> ผมก็คิดผมคิดว่า ความรู้บางอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ทั้งสังคมเลยนะแต่ไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะไม่มีโอกาสที่จะให้ความรู้นั้นนะมันเป็นกระแสนในสังคมบางทีเนี่ยนี่ท่านนาบีพิชิตมักกะแล้วก็วางหลักการว่าด้วย ระเบียบคนที่จะเข้ามากได้เข้ามากล้าไม่ได้พอเกิดปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันมีมันมีคําตอบเลยนะมันมีคําตอบเลยแล้วก็มีการปรับใจเลยน่าแสดงว่าเราไม่ควรที่จะวางประเด็นให้คนอื่นได้ปฏิบัติแล้วไม่มีข้อเสนอ ช่วยให้เขาปฏิบัติตามหลักการศาสนาด้วยมุสลิม่าที่จะคุมอิบาบถ้าเขามีอุปสรรคคุณอุบาบช่างเขาจะจะกลายเ็เรื่องเขาแต่เขาจะเจออุปสรรคอะไรที่ทํางานที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเราไม่ต้องสนใจก็ไม่ต้องยุ่งอะไรกับเขามุสลิมีนเขารู้วไว้เขาต้องไว้เขาบูชาต้องไว้เขาจะไปเจออุปสรรคต้องช่วยไงเอมเรื่องเขามันไม่ใช่ ถ้าหากว่าเราถ้ า, ากว่าเรารู้สึกว่าเออเราเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนของอิสลามเนี่ยแสดงว่าถ้าเราช่วยได้ในด้านไอเดียด้านความคิดเห็นด้านการอำนวยทางออกเครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ยช่วยได้แค่ไหนเนี่ยเราก็ควรช่วยเราอยู่ตรงไหนตาแหน่งอะไรมีความรู้แค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องมีส่วนส่วนนั้นแนหะที่เรามีอยู่เนี่ยที่เราต้องช่วยเขาบ้างไม่ใช่เรื่องเผยแพร่ ไม่ใช่เรื่องนำเสนอหลักการศาสนาอย่างเดียวนะครับคงจะฝากไว้กับพี่น้องเพียงแต่ตอนแรกนี้ตั้งใจว่าจะอธิบายอายะต่อมาเนี่ยอายะที่ยี่สิบเก้าแต่อายะนี้มันก็มีรายละเอียดเยอะคิดว่าไม่น่าจะพอนะมันเกี่ยวกับเรื่องทิศเรื่องภาษีสำหรับต่างศาสนกซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็น ข้อมูลที่ถูกโจมดีเหมือนกันซึ่งต้องอธิบายอย่างละเอียดหน่อยนะครับก็เลยต้องขอเนี่ยยกยอดไปยังอาทิตย์หน้านะครับอินช่าอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ได้ให้พวกเราทุกคนได้มีชีวิตอนช่าอนะครับสลัลลอฮฺว่าลนาบีนะมุฮัมมัดวะเลออาลีอัสซาบุลลัมอัส่ามุะลัยคุมุรราะห์มะตุลลอฮอินามันดารมิรรับฉากในภาพยน์ที่เป็นเรื่องของการทำ บ, บ า, บาอืม มันก็ทําไม่ได้ที่ไว้เชแนลเขาทำมานะแต่ผมนี่ไม่รู้เขาทํำยังไงอน่ยนะแต่คิดว่าเขาก็ต้องหาทางออกอะที่เขามีฉากสูบบุหรี่เขาก็หาบุหรี่กันมาแล้วก็เด็กนี่จับบุหรี่แต่ไม่ได้สูบแต่ผมไม่รู้เขาไปซื้อยังไงเพราะซื้อบุหรี่มันก็ห้ามอยู่แล้วอนะแต่ผมไม่รู้แต่เรื่งนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างแต่จะแสดงสมมติว่าแสดงว่าเขาทําซีนาเลยอันนี้ไม่ได้ แสดงว่าเขากินเหล้าอย่างเงี้ยไม่ได้แต่แสดงว่าเขาเมา อ, อันนี้อันนี้ไม่เป็นไรออันนี้ไม่เป็นไรแสดงเมานี่ไม่เป็นไรครับใกแต่อะไรที่มันไม่ได้เป็นสิ่งฮารอมจริงๆอะแสดงขโมยอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ขโมยจริงแต่เขาแสดงเรื่องขโมยแต่ไอเรื่องที่มันบาปจริงหน่อยที่จะเอาเหล้าอย่างที่ละครส่วนมากเหล้าก็คือเหล้าจริงไง นังอะไรบางอย่างนี่ก็คือไอ้เรื่องจูบเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้ยบาปจริงอนะ่ะเพมไม่ใช่ไม่ใช่มหอมอรำถึงจะเป็นมหอมอรำเนี่ยจะจูบต่อหน้าชาวบ้าน ม, มันก็ไม่ได้มันก็เป็นอะไรแบบเนี้อะไรที่มันบาปสิ้นเชิงอ่ะนะไม่ได้แต่อะไรที่มันแสดงแสดงให้คนเข้าใจว่าเออบาปเราจะได้สื่อว่ามันไม่ถูกต้องไม่ดีไหนะเร่องขโมยเรื่องค่ายาอะไรเงี้ยเอาแป้งเอานะอย่างทีมละครเนี่ยเขมานะเหลือเกินนะเนีาไปหา อะไรที่มันคล้ายยาบ้าไม่มีพอยาบ้าเนี่ยมันสีส้มมันไปหาเม็ดก็ต้องเอาเม็ดสีขาวแล้วก็มาทาสีส้มมันจะได้ดูเหมือนยาบ้าแต่มันไม่ใช่ยาบ้าไงแต่เขาอยากอยากจะแสดงว่าเอออยากจะแสดงว่าเออมันเป็นสิงส่งเสพติดที่ไม่ดีหนะอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ดูเหมือนเป็นจริงอะไรก็ได้แบบนั นี่นะส่งส่งไปแล้วพยายามส่งไปแล้วหลายตัวอย่างของอามีย น, นี่ก็ส่งไปส่งไปแล้วหลายที่แต่เราต้องยอมรับว่าภาพยนต์ของเราเนี่ยคือเราเราคิดดยอย่างเงี้ยอามียเนี่ยเราทุ่มไปหลายล้านนะ่ะนะแต่หลายล้านบาทนี่มั น, ม, นมันคืองบที่ที่ตลกสิ้นดีเลยนะภาพยนต์ <c oughs> คือภาพยนตร์ที่มันแย่ที่สุดเนี่ยอย่างบ้านอะแพ่แย่ที่สุดเนี่ยหลักสิบล้านอะหลักหลายสิบล้านยไม่ใช่สิบล้านหลักหลายสิบล้านอะอันนี้เราทําภาพยนตร์นี่ไม่ถึงสิบล้านเลยอะฉะนั้นอะไรหลายอย่างนี่มันก็ดูดูเปสิกมากเนี่ยเวลาใครก็ดูเนี่ยถ้าไม่ใช่องค์กรที่เขาที่เขาจะเน้นเรื่องเนื้อหานี่นะเรื่องอื่นเนี่ยเ ข, เขาเขาต้องให้คะแนน ถ่ายมันยังไงใช้อุปกรณ์อะไรอะรเขต้องให้คะแนนบมด